ฟังธรรมมาตามสบายวันนี้อาจามาก็ตั้งใจว่าจะนําอุบายสอนธรรมครูบาจารย์ต่างๆมาเล่าให้เจ้าที่ถามฟังเป็นวันเบาๆสบายๆเรื่องแรกจะเล่าเรื่องหลวงพ่อชาก่อนหลวงพ่อชาท่านมีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นชาวต่างประเทศมากคือท่านมีบารมีทางด้านนี้ท่านพูดอังกฤษไม่ได้แต่ท่านก็ใช้อุบายของท่านเนี่ยสอนธรรมมีวันหนึ่งพระฝรั่งกําลังเดินมิทธบาตร พระท่านนี้มีความรู้สึกว่ามีอารมณ์เนี่ยไม่พอใจพระเพื่อนที่เป็นฝรั่งด้วยกันแต่เป็นพระใหม่คือท่านดินทาคนนู้นคุณนินทาคนนี้พระรูปนี้รับไม่ได้คือกุหจิใจตลอดทางเลยเดินไปก็ปุงแต่งไปค้านถึงวัดก็ก้มหน้าก้มตาปุงแต่งเรื่องความไม่พอใจอยู่นั่นแหละเพอหลวงพ่อชาอยู่บริเวณนั้นหลวงพ่อชาก็ทัก g o 굿มอร์นิ่งพระท่านนี้พอได้ยินเสียงหลวงพ่อชาทัก อารมณ์เปลี่ยนเลยตอนนี้กลายเป็นอารมณ์ดีใจที่คูบาอาจารย์ทักเป็นภาษาฝรั่งกุ๊ดมอร์นี่ก็คือสวัสดียามเช้าจากอารมณ์ที่ตอนตอนแรกขุนเคืองใจก็กลายเป็นอารมณ์ดีใจขึ้นมาแทนหลังจากนั้นพระรูปนี้นั่งสมาธิเดินจงกรมขันถึงเวลาเย็นก็ไปหาหลวงพ่อชาเพื่อไปไปถวายการนวดให้ท่านเพราะว่าที่นั่นจะมีคิว พระอุปถามภครูบาจารย์วันนั้นพระฝาหลังรูปนี้ก็ไม่ต้อไปทําวัดตอนนั้นก็มีพระอยู่ที่หนองวะพงประมาณเจรูปพระรูปนี้นวดเท้าให้หลวงพ่อชาไปก็ปลื้มปิติไปเพราะาได้ยินเสียงเพื่อนกาลังสวดมนต์ขณะนั้นจิตใจแบบเหมือนได้ขึ้นสวรรค์น่ะได้ยินเสียงสวดมนต์แล้วเราเองก็กําลังอุปถากพระอารหันต์อยู่คือดื่มด่ากับความสุขมากเลยขนาดนั้นเองสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น หลวงพ่อชาถีบเข้าไปที่เต็มหน้าอกของพระฝรั่งรูปนี้กระเด็นจนก้นจําเป้าเลยท่านก็ช็อกนึกไปถึงว่าหลวงพ่อจะถีบถูกถีบด้วยเรื่องอะไรก็งงอยู่ตอนนี้อารมณ์ตกเลยหลวงพ่อชาก็ชี้หน้าตําหนิบอกเมื่อเช้าเนี่ยคนอีกคนหนึ่งพูดไม่ถูกใจก็อารมณ์ไม่ดีคนอีกคนหนึ่งชมก็ดีใจอารมณ์ฟูฟูฮบแฝบไม่เป็นตัวของตัวเอง คือฝากใจไว้กับคนอื่นไม่ฝากใจไว้กับพระธรรมแล้วหลวงพ่อชาก็อบรมสั่งสอนอีกเยอ ะ, ะภาพฝรั่งท่านนี้ก็เกิดคือร้องไห้ด้วยความปิติที่หลวงพ่อชาถีบสอนธรรมซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกดีเพราะว่าครูบาอาจารย์มีน้อยนักที่สอนแบบนี้เพราะบางครั้งสอนแบบด้วยคําพูดแต่ไม่ได้ผลต้องใช้วิธีแบบฉับพลันคือทําให้ได้คิดเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าคนไม่ฝึกจิตเนี่ยก็จะมีอารมณ์ ฟูฟูแฝบไปไปตามโลกธรรมโลกธรรมแปก็มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกมีสารเสื่อมีดินทาคือจะพอเกิดอะไรขึ้นมาก็เราก็ไปไปตามอารมณ์นั้นนั้นแหละเวลามีลาบขึ้นมาเราก็ยินดีในลาบเวลามียศเราก็ยินดีในยศเวลามีสุขเราก็ดีใจเวลามีทุกข์เราก็เศร้าใจเวลาเวลาคนมดินทาเรา เราก็ทุกข์ใจคือหวั่นไหวไปกับโลกธรรมฉะนั้นเราจรึงต้องมาเจริญสติเพื่อรู้จักตัวเองเพราะถ้าเรารู้จักตัวเองได้เราก็สามารถอยู่กับโลกธรรมได้โดยที่ไม่ทุกข์เท่าไหร่หรือถ้ามีทุกข์ก็ทุกข์น้อยแต่ละคนมีสติอารมณ์ปรุงแต่งขึ้นมาก็ทําอะไรเราไม่ค่อยได้อารมณ์ที่แรงก็กลายเป็นเบาไปแล้วก็มีพระผ้าหลังอีกท่านหนึ่งกําลังคิดถึงแฟนที่อยู่อเมริกา ซึ่งนนั้นมีหลวงพ่อชาเนี่ยกำลังไปธุระแล้วก็มีพระฝรังเนี่ยสมรูปนั่งไปด้วยหนึ่งในนั้นก็มีอาจารย์ภูมังโศแล้วก็พระนวกะฝรังอีกสองท่านอีกท่านหนึ่งเนี่ยพูดไทยได้อีกสองท่านเนี่ยพูดไม่ได้หลวงพ่อชาก็แหงกลับมาที่หลังรถคือท่านนั่งอยู่ข้างห น, น้าไงถามว่าท่านกำลังคิดถึงแฟนเหรอรามก็แปลให้พระฝรั่งก็บอกใช่ครับผมกําลังคิดถึงแฟน หลวงพ่อชาก็บอกว่าเอาอย่างนี้ท่านเขียนจดหมายไปหาเธอนะบอกให้เธอเนี่ยส่งของที่ใกล้ชิดตัวเธอมากที่สุดมาให้พระฝรั่งก็โอ้ทำได้เหรอหลุงพ่อชาก็บอกทำได้ท่านเขียนจดหมายไปนะบอกให้เธอเนี่ยเอาเอาขี้ใส่ขวดแล้วก็ส่งมาให้พระฝรั่งก็จะฟังไม่รู้เรื่อง ต้องให้พระ้าหลังที่แปลภาษาไทายออกอะแปลให้พระองค์นั้นก็การหัวเลาะแปลต้องนานแปลไม่ได้ทีพอแปลเสร็จเนี่ยพระ้าหลังได้ยินอังนั้นาร์มรังจวนในการคิดถึงหน้าแฟ น, นี่หายไปเกี่ยงเลยอันนี้คืออุบายสอนธรรมของท่านคือท่านมีเทคนในส่วนตัวอาจารย์ผมวังโสท่านเคยคิดว่าตัวเองเนี่ยรรลุธรรมนะมีอยู่วันหนึ่งท่าน นั่งสมาธิเดยจจงกรมเนี่ยถึงดึกดื่นดื่ น, นและเกิดได้สมาธิขึ้นมาเกิดอารมณ์ปิติซาบซ่านดื่มดำ่ำความรู้ไหลเข้ามาจิตท่านเร็วมากตอนนั้นความคิดปรุงแต่งขึ้นมาท่านตัดชั่วเลยท่านก็เลยมีความสึก ว, ว่าเราเนี่ยบรรลุธรรมแล้วเป็นพระริยสงฆ์แล้วท่านก็ปลื้มใจกับการบรรลุธรรมของท่านแหละและเช้าวันต่อมาถึงเวลา อาหารเช้าที่หนองพงเนี่ยโดยอาหารหลักก็คือปลาล้านา น, น, านจึงมีอาหารดีๆหลงเข้ามาเพลิดวันนั้นเนี่ยมีแกงหมูเข้ามาหม้อหนึ่งแล้วแกงปลาล้าเหม็นๆอยู่หม้อหนึ่งอาจารย์พรมังโสท่านก็ปลื้มใจบอกวันนี้เราได้กินแกงหมูแล้แกงหมูฉลองการบรรลุธรรมของเราท่านนั่งต่อจากเจ้าวาดเจ้าวาดตักแกงหมูได้สามทพีก่อนที่หม้อหม้อแกงจะมาถึงท่านเจ้าวาดก็เปลี่ยนใจ เอาแกงหมูนี่แหละเทผสมกับแกงปลาร้าเหม็นๆแล้วบอกทุกอย่างมันก็เหมือนกันตอนนี้ความความหวังของอาจารย์พมนี่พังทลายหมดเลยตั้งใจกินแกงหมูต้องมาเจอปลาร้าเหม็นอีกแล้วก็เลยไม่พอใ จ, จเจ้าอาวาสมากด่าใน ใ, ใจด่านในใจว่าท่านเนี่ยเป็นคนเป็นชาวบ้านแถวนี้กินอาหารตามพื้นบ้านได้แถมเอาเปรียบโดยการตักก่อนแล้วมบอกกาเหมือนกันได้ยังไงคนจอมปลอมไอ้หมู ไอ้ขี้โกงท่านด่าไอ้ใจนะแต่สักพักหนึ่งท่านก็คิดก็ได้เอ๊ะเอพระอริยะบุคคลนี่ทําไมโกรธได้ไม่พอใจได้ตอนนี้ท่านจิตตกเลยนะหัวใจหล่นไปที่ตีเลยรู้ว่าเราไม่ใช่พระอริยะแล้วเราหลงคิดตัวเองว่าเราเป็นพระอริยะก็เลยเศร้าใจจิตตกอาจารย์พรมท่านรู้รู้สึกตัวขึ้นมาเองนะ้วอันนี้ไม่ต้องมีใครมาว่าท่านแต่มีอีกลายหนึ่งไลยนี้หนักหน่อยเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยบางครั้ง ถ้าคิดว่บรรลุธรรมเนี่ยไม่สร้างปัญหาให้ตัวเองก็จะสร้างปัญหาให้คนอื่นเหมือนคนบ้าแหละเจอใครอยากสอนอยากพูดธรรมะบางทีก็ไปที่เอือมละอาของเพื่อนก็มีมามาม า, มาสอนมาเรียนธรรมะคือบางทีตั้งตัวเป็นผู้รู้บางคนหลงมากๆก็ตั้งตัววิปัสนาจารย์ตั้งสํานักเลยก็มีบางทีแล้วก็ไปอาจารย์ปลอมตลอดชีวิตแหละเพราะว่ามันไม่ใช่คือถ้าพยายาม บ, บุคคลปลอมจะทุกข์จะไม่มีความสุขเข้าใกล้ก็ร้อน อริยบุคคลจริงๆเนี่ยเข้าใกล้ก็เย็นแล้วธรรมะก็จะรู้จริงไม่ใช่รู้ปลอมๆ ม, มีหลวงตาอยู่ท่านหนึ่งชื่อหลวงตาพวงหลวงตาพวงเนี่ยลูกศิษย์ของหลวงปู่ดุลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ท่านมาบวชตอนแก่ท่านก็มีความรู้สึกว่าอายุเราก็มากแล้วเราจะต้องเล่นความเพียรให้มากที่สุดเพราะเดี๋ยวตายไปจะไม่เกิดประโยชน์อะไรท่านก็ใช้เวลาเนี่ยบำเพ็ญภาวนา ทั้งวันทั้งคืนการที่ท่านบําเพ็ญมากๆเนี่ยถ้าเกิดสภาวะถามขึ้นมาคือวิปัสสนูกิเลสทําให้ท่านคิดว่าท่านบรรลุธรรมเกิดความ ร, รู้แตกฉานขึ้นมาตอนนี้หลวงตาพวงคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วตอนนี้ก็นึกไปเอ๊ะเราจะไปปวดใครดีนึกไปนึกมาอ้าวเปิดปวดอาจารย์เราดีกว่าอาจารย์เราคือหลวงปู่ดุลเมื่อคิดได้ดังนั้นหลวงตาพวง ที่อยู่เขาพนมลุงจังหวัดบุรีรัมเนี่ยก็รีบเดินทางทันทีเลยที่เขาพนมลุงมาถึงจังหวัดสุรินทร์นะใช้เวลาประมาณ80กิโเมตร่ะคือท่านมาถึงวัดบุรพารามเนี่ยประมาณเที่ยงคืนใครมาถึงวัดก็ตะโกนเรียกหลวงตาดุลออกมาออกมาหลวงตาดุลพระอาหารมาแล้วรีบมากราบเร็วๆหลวงปู่ดุลออกมา ตามปกติแล้วหลวงตาพวงจะกร า, าบหลวงปู่ดูลทุกครั้งที่มาเพราะเป็นลูกศิษย์น่ยแต่ทีนี้หลวงตาพวงคิดว่าตัวเองนพระอรหันต์อยากให้หให้หลวงปู่ดูุนเนี่ยกราบท่านคือมันวิปลาสขนาดนั้นแล้วก็พูดธรรมะอีกเป็นชั่วโมงชั่วโมงหลวงปู่ดูลนถามแล้วก็ตอบพิดๆถูกๆยังรู้ว่าไม่ใช่คือรู้ไม่จริงก็เลยให้เ น, เนี่ยพาหลวงตาพวงเนี่ยไปพักที่โบสถ์แต่เรื่องก็ไม่จบแค่นั้นหลวงตาพวงแทนที่จะพักตามปกติกลับไปปลูก พระให้มาฟังธรรมจากตนหลายลายเลยจนไปนที่ลำคาญกับคนทั่วไปสามวันแล้วก็ยังแก้ไม่หายทันทีจนในที่สุดหลวงปู่ดูลนซึ่งเป็นคนที่พูดน้อยใจดีมีเมตตาก็ว่าหลวงตาพวงด้ว ย, วยคาพูดที่รุนแรงเออสัตว์อะกสัตว์ตอะกไปให้โพจากกุฏิเดี๋ยวนี้เลยสัตว์อะกหลวงตาพวงไม่คิดว่าหลวงหลวงปู่ดูลนจะว่าตนเป็นสัตว์อะโกก็เกิดอารมณ์โกรธที่รุนแรงมาก จะสะพายย่ามกดออกไปทันทีแต่ไปหยิบไม้คิดตัวไม้เป็นโกรธก็แบกขึ้นแล้วเดินออกไปเลยเพื่อจะไปพักวัดที่อยู่ ใ, ใกล้บริเวณนั้นเดินไปก็ปรุงแต่งไปแต่ด้วยอำนาจของความโกรธมันก็ไปกระแทกอารมณ์ที่กำลังคิดปรุงแต่งอยู่ให้หลุดออกไปได้หลวงตาภวม ก, ก็ได้สติขึ้นมาว่าเอ๊ะพระหลานที่ไหนมีโกรธท่านก็นเลยได้สติแล้ว ก, กลับมาวัดบุรพารามมากราบขอเข้ามาหลวงปูด่ดูล เรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับนักปฏิบัติธรรมที่ต้องมีครูบาอาจารย์คอยชีแ้แนะคอยตักเตือนคอยดูแลเราบางครั้งเราหลงเราก็จะเข้าใจผิดคิดว่าเราบรรลุธรรมแล้วเห็นธรรมแล้วแต่บางทีมันไม่ใช่เพราะพวกนี้เสื่อมได้อาจจะเกิดสมาธิปีติรัพซ้านพอเกิดสมาธิขึ้นมาเนี่ยจิตมันก็จะเห็นอะไรแปลกๆอาจจะเดินตัวเบาอาจจะเห็นนิมิต อาจจะมีความสุขในสิ่งที่เราไม่เคยประสบมาก่อนอาจจะเย็นถ้าคนเคยไปฏิบททัติธรรมนั่งสมาธินะ่ะพอช่วงหนึ่งเดี๋ยาจิตรวมเนี่ยจิตมันเย็นว่าไปเลยเหมือนยี่ก็ติดแอร์ถ้าคนไม่รู้คิดว่บมัรู้ธรรมไปสอนคนอื่นอันนี้เสียหายมากพอเราไปสอนคนอื่นปุ๊บเราก็ลืมสอนตัวเองพอลืมสอนตัวเองปุ๊บเราก็เสียผลประโยชน์อะเราก็ไม่ไปฏิบัติต่อเพราะว่าวิปัสดุกิเลสเนี่ยมันจะหลอกให้คนนั้นเนี่ยเลิกไปฏิบททัติธรรม ไปอยู่กับอารมณ์อื่นปางคติวิปัสสนาวนะหลายสิบปีก็มีนะแก้ไม่หลุดไปเปิดสํานักเยอะแยะหมดเลยบางคนเนี่ยติดต้องนานกว่าจะแก้หายได้ก็นานยิ่งถ้าคนหลงมากเนี่ยแก้ไม่ได้เลยมินทิธานเซนอยู่เรื่องหนึ่งพาอยู่ท่านหนึ่งอยากบรรู้ธรรมไวๆจึงขออาจารย์เพื่อมาปีวิเวกปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวในสถานที่แห่งหนึ่งสถานที่นั้นคือเกาะโดยมีเงื่อนไขให้ทางวัดเนี่ยส่งอาหารมาให้ อาทิตย์ละครั้งท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนตนเองกายเวลาผ่านไปหลายเดือนท่านก็มั่นใจว่าตอนนี้เนี่ยท่านมรรู้ธรรมแล้วจิตไม่วันไหวก็โลกธรรมก็อยากให้อาจารย์รู้จึงได้แต่งบทกวีขึ้นมาบทหนึ่งท่านก็ตั้งใจแต่งมากเลยวิจารณความว่าเนี่ยโลกธรรมทั้ง8ปประการเนี่ยไม่สามารถทำะไรท่านได้แล้วท่านก็เขียนเสร็จท่านก็ ฝากคนที่นําำสบียังมาเนี่ยไปให้อาจารย์อาจารย์อายบทกวีนั่นแล้วท่านก็หยิบผู้การมาเขียนไปว่าผายลมแล้วก็ม้วนฝากให้คนที่ส่งทะเบียังเนี่ยนำไปให้พระท่านนี้ฝ่ายพระที่เก็บอรมณ์อยู่คันได้ได้ข้อความคืนเนี่ยก็ดีใจมากคิดว่าอาจารย์คงชื่นชมมากที่ตนเนี่ยแต่งบทกวีได้ลึกซึ้ง แต่พอค่อยขี้ออกอ่านดูเห็นคำาว่าผายลมเท่านั้นแหละอารมณ์พุ่งขึ้นหัวเลยโกรธมากโกรธจนควบคุมตัวเองไม่ได้ต้องตามคนที่ส่งก่าเบียงไปหาอาจารย์ทันทีเลยคันเจออาจารย์ก็โวยวายบอกอาจารย์ท่านชะไหนถึงใช้ข้อเขียนเนี่ยละลานผู้อื่นถึงเพียงนี้คือพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่ปกติอาจารย์ท่านก็ยิ้มบอกไหนท่านว่าลมแทิศโบกไม่สะทาน ไปหวั่นไหวจากโรคกระทำแปดประการฉนหนึ่งผายลมจึงนําท่านออกจากเกาะมาหาเราได้พระท่านนี้พอได้ยินดังนั้นจึงได้คิดขึ้นมาว่าเอ๊ะคนบรรลุธรรมเนี่ยมันต้องไม่มีอารมณ์โกรธนี่ยจึงรู้ว่าตัวเองไม่บรรลุอันนี้เป็นอุบายสอนธรรมของอาจารย์นะคืออาจารย์จะว่าตําหนิเพื่อให้เห็นอารมณ์โกรธพราะถ้าคนไม่เห็นอารมณ์โกรธเนี่ยมันก็หลงต่อไปอย่างพวกญ า, าติญาติธรรมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องมีครูบาอาจารย์ ถ้าไม่มีจะแย่เลยเสร็จเลยเพราะแต่ละคนจริตนิสัยไม่เหมือนกันบางคนปฏิบัติทาไปก็เห็นนิมิตมั่งบางคนปฏิบัติทาไปก็หลงไปหรือบางคนทำกรรมไม่เยอะกรรมเก่านิมิตเก่าๆมันก็ผุดขึ้นมาบางคนทำไปก็มีความสุขไปเพราะแต่ละคนแต่ละคนสะสมกรรมไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่มาฝึกไม่มาปฏิบัติเราก็ไม่รู้จักตนเองเพราะบางครั้ง บุญบาปเดี๋ยเราเชื่อจากหนังสือมันก็ไม่ซึงใจเท่ากับเราเห็นด้วยตัวเองอย่างคนไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเท่าคนปฏิบัติธรรมเท่าไหร่หรอกเพราะว่าแบบอย่างบางคนเนี่ยติดอวัยมุกกินเหล้าเล่นการพ น, นันทะเลาะทะเลาะเบาแย่คนอื่นร่วมเกินคนทุกคนนี้เนี่ยหรือทํากรรมฆ่าสัตว์บิดเบียนสัตว์เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะผุดขึ้นมาให้เราเห็นถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ผุดนะไม่โชว์พอไม่โชว์ปุ๊บเราก็ไม่รู้จักตัวเอง คือเราไม่รู้ว่าเราเป็นคนอย่างนี้เพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการขุดคุยตะกรกิเลสให้เรารู้จักตัวเองที่จริงเราไม่ใช่คนดีหรอกเราก็เป็นคนโลภคนโกรธคนหลงคนขี้ฉาคนขี้เปรียบเทียบแล้วก็เข้าข้างกิเลสตัวเองใครมาว่าเราก็ไม่ได้แต่เราว่าคนอื่นได้ดินทาคนอื่นได้คนอื่นดินทาเราไม่ได้โดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยทุกคนจะเห็นแค่ตัวปกป้องกิเลสตัวเองคือชอบเอาความดี เข้าตัวเอาความชั่วโยนเลยคนอื่นแต่ถ้าคนฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยจะไม่จะไม่ลำเอียงและจะรู้ว่าเราก็ไม่ดีนะคนอื่นก็ไม่ดีเหมือนกันแหละถ้าเราหลงตัวเองเราก็บอกเราดีคนอื่นชั่วเราสังเกตได้เลยนะคนที่นินทาคนอื่นนะมักไม่ค่อยบอกตัวเองคนไม่ดีหรอกมักคิวตัวเองดีนั่นแหละอาจารย์นู้นก็ไปดีอาจารย์นี้ก็ไปดีพาลูปนั้นก็ไปดีแม่ชีคนนู้นก็ไปดีแต่ละคนแย่หมดเลยแต่เราลืมมองตัวเราเองไปเราก็ไม่ดีเหมือนกัน แต่เรามาเจอสติเราก็รู้ว่าเราก็ไม่ดีเราก็แก้ไขได้ค่อยๆลดละไปอาจจะต้องใช้เวลานะอาต ม, มาเนี่ยบวชมาสิบกว่า ป, ปีนะใหม่ๆก็หลบใหม่ๆก็เป็นแบบที่แบบมาเทศนี่แหละเพราะการสุกฝนตนเองเนี่ยมันมันต้องใช้เวลาเหมือนกันพอถ้เราใหม่ๆแล้วคิดตัวเองเป็นค น, นดีมันไม่เห็นตัวเองหรอกมันก็มองคนอื่นไม่ดีแล้วเรื่องพวกนี้ก็บอกยากเลยนะอย่างภาพใหม่อาต ม, มาจะสอนก็สอนไม่ได้เพราะเรารู้เลยว่าใช้เวลา กายเป็นอสอนเขาเองบางทีเราไปสอนเขาเนี่ยเขาไม่เชื่อหรอกอย่างบางคนบวชไม่กี่วันเนีย่ยจะไปสอนพ่อแม่พ่อแม่ไม่เชื่อหรอกยังไงก็ลูกเรามันจะบรรู้ดีกว่าเราได้ยังไงคือบางคนปฏิบัติธรรมได้สมาธิเล็ก ๆ, ๆน้อยๆอยากไปปวชโยมพ่อโยมแม่ให้ให้ให้เหมือนเรามัาง่งแต่หารู้ไม่ไม่เกิดประโยชน์เดี๋ยวโยมพ่อโยมแม่ไม่ทําตามเราหรือกลับมาว่าเราอีกแล้วก็ทุกข์ใจอีกหรือญาติพี่น้องก็เหมือนกัน เราไม่ต้องไปห่วงคนอื่นหรอกเราห่วงตัวเราเองดีกว่านักปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปห่วงคนนี้คนนี้หรอกทำตัวเองให้ปลอดภัยก่อนให้ตัวเองไม่ทุกข์ก่อนคนอื่นช่างมันเขาไม่เชื่อหรอกนอกจากนี้เราทำให้ดูอยู่ให้เห็นเนี่ยบวชไปนานๆนนแล้วไม่ศึกเนี่ยคนเริ่มเชื่อแล้วญาพี่น้องเออไ อ, อ, อ, อ้นี่นบวชจริงนะแต่บวชไปพันศาสองพันาเนี่ยเขาไม่อยากเชื่อฉั้นบางครั้งตามสำนักต่างๆเนี่ยเขาจึงไม่เขาให้พระหม่เทศเขารู้ว่าเทศระทำไม่ได้บางทีพูทธมาร์ขั้นสูงเนี่ยสามมาศึก มึงที่พูดเรื่องนี้ผ่านเลยเงี้ยสองภาษาศึกเพราะว่ายังไม่ไม่ผ่านการทดสอบอย่างพระบทดานานบางทีงสอบไม่ผ่านเลยบางที30มสภาษาเจอเนื้อคู่เข้าไปก็มีหลายรายแล้วอันจริงเอาแน่นอนอะไรไม่ได้อันโยมยังมาเชื่อถือหวังอะไรกับพระไม่ได้งนั้นเราต้องหวังตัวเองพึ่งตัวเองกัแหละเพราะว่าฝากฝากใจไว้กับพระธรรมอย่าไปเที่ยวฝากใจไว้กับคนอื่นไม่มีใครพึ่งได้หรอกนอกจากเราพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองก็ต้องฝึกฝนตัวเอง ให้มีสติมีความรู้สึกตัวหลงไปแล้วกลับมารู้สึกตัวการเจริญสติสามารถใช้กับชีวิตประจำวันได้ขนาดที่เราฝาดบ้านเราก็มีสติได้ล้างจานเราก็มีสติรู้สึกตัวทำงานต่างๆมีสติได้หมดการฝึกแนวหลบวัตเทียนเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้กับงานประจำวันได้นั่งรถก็คึงนิ้วไป อาศัยฐานกายไปที่ตั้งถ้าทำบ่อยๆจิตเราก็ปรุงแต่งไม่ได้ไม่ไกลคือความคิดทำงานไม่ถนัดถ้าเรารู้ว่าเรากาลังคิดปุงแต่งเนี่ยตอนนั้นเรามีสติแล้วรู้ว่าเราหลงอยู่แต่ถ้าหลงทั้งวันเนี่ยไม่มีสตินะคือรู้ว่ารู้ว่าเราเผลอไปเนี่ยมีสติถ้ารู้ว่าเผลอไปบ่อยยิ่งดีแต่ถ้าวันหนึ่งไม่เผลอเลยนี่ไม่ไม่ดีบางคนเนี่ยตั้งแต่ตื่นยันหลับหลับแล้วไฝันต่อคือไม่มีสติเลยไม่รู้ ไม่รู้ว่าตัวเองเผลอท่านพวกญาติญาติญาติธรรมจึงโชคดีที่ได้มาฝึกได้มาวัดได้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้มาฟังธรรมการฟังธรรมมีนี้สงห้าอย่างทําให้เราเนี่ยสามารถได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนทําให้เราเนี่ยเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วทําให้เข้าใจแจ่มชัดยิ่งขึ้นข้อธรรมบางเรื่องทําให้เราหายสงสัยได้ ขณะที่ญาติธรรมตั้งใจฟังธรรมจิตก็เกิดความสุขเกิดปิติคือขณะนั้นกิเลส ก, ก็ไม่เข้ามารบกวนเท่าไหร่กิเลสคือความง่วงเหงาเหานอนอารมณ์ฟุ้งซ่านต่างๆและทําให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องคือความเห็นตรงเพราะถ้าญาติธรรมไม่มาฟังธรรมเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งนี้เป็นบุญเป็นบาปบางครั้งเราคิดเรายังไม่รู้เลยว่าความคิดเราเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลเราแยกไม่ออกหรอก เพราะบางเรื่องเราคิดว่าเราคิดจะถูกแล้วที่สิ่งที่เราทําเนี่ยแต่คนอื่นเขาบอกว่าเราผิดก็มีแยกไม่ได้แต่ถ้าอารมณ์ที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะเบาคิดแล้วมีความสุขอารมณ์ที่เป็นอกุศลคิดแล้วหนักเป็นความทุกข์บุญนั้นเปรียบเหมือนเรือบาปเปียบเหมือนก้อนหินก้อนหินโยนเข้าไปในน้าก็เล็กๆก็จมจมละแต่เรือสามารถรับก้อนหินได้มากมายเลยโดยไม่จมที่พวกเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ย เรามีความทุกข์หลายอย่างที่เราไม่รู้และมีอีที่ผลข้องาจิตใจเรามากก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะจะมีอายุเท่าไหร่คือความตายเนี่ยมาหาเราได้ทุกเมื่อเลยเราไม่รู้เลยเราจะมีอายุเท่าไหร่ในที่นี้อาจจะมีอายุแตกต่างกันบางคนแล้วแก่แปดสิบกว่าก็มีหนุ่มยี่สิบกว่าก็มีแต่ละคนก็ไม่มีหลักประกันว่าจะมีอายุถึงเท่าไหร่อันนี้ประมาทไม่ได้และความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกัน วันนี้เราสุขภาพดีแข็งแรงแต่ก็ไม่มีหลักประกันว่าชั่วโมงข้างหน้าหรือวันต่อไปเนี่ยเราจะแข็งแรงเหมือนอย่างนี้ไหมอาจจะเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุดี้งพิกลพิการก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนวันเราก็ลื่นพวกโยมก็ระวังจะลื่นล้มก็แล้วกันเพราะช่วงนี้ฝนตกฝนตกปุ๊บเนี่ยตะไคร่เขียวมา่ขึ้นเดินต้องมีสติเหมือนกันลื่นหัวลังข้างแตกได้เหมือนกัน ห้าประมาติขาดพ่อธรมาเคยลื่นล้มเกือบตายมาแล้วลื่นล้มเนี่ยรักษาตัวเป็นปีเลยคือแหลรุนแรงมากอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแล้วเราเองก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะตายเวลาไหนเช้าสายบ่ายเย็นไม่มีหลักประกันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสถานที่จะตา ย, ยจะตายที่ไหนตายต่างประเทศตายในประเทศตายในบ้านตายนอกบ้าน ตายบนน้ำตายบนฟ้าหรือที่ต่างๆเนี่ยไม่มีหลักประกันเราไม่รู้เลยแล้วแต่กรรมพาไปแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราตายแล้วอ่ะเราจะไปไหนไปไปสู่ภพภูมิใดอันนี้เราไม่รู้ได้สิ่งที่เราทำได้คือไม่ประมาทที่ปลอดภัยแล้วคือพาลีบุคคลนั่นแหละตั้งแต่โส ด, ดาบันขึ้นไปอะ่ะที่ปิดอุปยภูมิอย่างที่เราเป็นปุถุชนเนี่ยเราท่านเนี่ย อารมณ์ฟูฟูว่าแฝงกับโลกธรรมเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายถ้าขนาดที่ตายเนี่ยจิตไปกุศลก็ไปสุคติแต่ถ้าเราทําอกุศ ล, ลมากๆจิตที่แบบกุศลขึ้นมาเนี่ยเจ้าการในเวรขึ้นมามากๆเนี่ยเราก็ไปทุคติได้ศีลเราทำได้ก็ต้องหมั่นฝึกตัวเองก็แหละหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลให้ทานรักษาศีลภาวนาทําบ่อยๆจนเป็นทิศสัยอั น, นช่วยเราได้เพราะถ้าเราไม่ทาก็ไม่มีใครช่วยเรา ตนต้องเป็นที่พึ่งของตนเองคนอื่นพึ่งไม่ได้หรอกเดี๋ยวพวกญาติโยมว่กลับบ้านไปแล้วกลับบ้านไปใช้ชีวิตตามปกติแต่เราก็อย่าลืมเอาสติกลับบ้านไปด้วยนะอย่าทิ้งไว้ที่วัดป่าสุโกโตเอากลับบ้านไปใช้ตลอดชีวิตเราไม่ต้องหวังว่าเราบรรลุธรรมหรอกเอาแค่ทําไปเรื่อยๆทำเท่าทีา่เราทําได้แล้วแหละสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารามีไปอีกหน่อยเหมือนเราเติมน้ําลงโอง่งทีละหยดทีละหยดหนักก็สามารถเต็มได้ อันนี้เป็นที่สมการปฏิบัติธรรมแล้วไม่ประมาทในครรมดีแม้เล็กน้อยอันมาพูดมาก็เห็นว่าสมควรเกี่ยวเวลาคนยุติขแค่นี้ขอญอาติธรรมทุกท่านจะมีความสุขความเจริญธรรมยิ่งขึ้นไปคิดหวังสิ่งใดที่ถูกต้องก็ขอให้สมปรารถนาเอวัง